องเธมันทำให้ฉันรู้สึกลึกๆถึงสิ่งนั้นในช่วงเวลาที่มีให้กันและนี่ก็คงถึงวันที่เธอนั้นเฝ้ารอ ไม่เคยพบกับใครที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้นี่คืออะไรที่ต้องวนวาทุกทีไม่อยู่ใกล้เธอหรือมันคือความรักหรือเธอคือหัวใจโรดสิให้ฉันรู้ทีได้ไหม บอกกับฉันด้วยลมหายใจสะครั้นวันเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันรักกันอีฉันเป็นของเธอ Just wanna say I'm yours. คิ y เธ d ที่ต้องการไม่เคยพบ กับใครที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ที่ในหัวใจรู้สึกวนไวีทุกทีไม่อยู่ใครใเธอหรือมันคือความรักหรือเธอคือหัวใจกระซิบให้ฉันรู้ดีได้ไหม บอกกับฉันด้วยลมหายใจสักครั้งวันเวลาที่ผ่านมาเธอกับฉันรักกันให้ฉันเป็นของเธอปรดย้ำซ้ำๆให้ฉันมั่นใจอีกสักทีได้ไหม ว่านี่คือความรักว่าจะคือหัวใจกระซิบให้ฉันรู้ทีได้ไหมบอกกับฉันด้วยลมหายใจสักครั้งวันในทุกๆเวลาที่ผานมาเธอับฉัน รักกันให้ฉันเป็นของเธอ